<c oughs> อยากให้เข้าใจทำบุญกับทำทานทำบุญอาหารใจทำทานอาหารกาย <c oughs> เห็นไหมข้าน้าโภชนาอาหารมุขี้ของให้ร่างกายมันยุ่งคนเราชอบยุ่ง <c oughs> ทำพูดไปวัดทำบุญไปวัดทำบุญแต่ไม่ทำบุญหร <c oughs> ือแต่ของทานเนี่ยมันยุ่งใช่ไหมมีข้าวมีน้ำ อาหารเครื่องนุ Bref, ını, ่งห่มที <Pre> ่อยู okay. ่อาศัยยารักษาโรคนี่ของทานเท่ากัร่กายในทานเท่าไรก็เท่าก็แก่เลี้ยงเท่าไรรักษาเท่าไรก็เท่าก็แก่ก็เก็บก็ตายทั้งขาดร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วแก่เจ็บตายได้ชวดบ้างไหมได้ยินพระชวดไหม สังขารร่างกายแม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายใครจะฝืนความจริงไปได้ความจริงของพระพุทธเจ้าบอกว่าสังขารร่างกายไม่เทียเยนนไไเ่ย ง, ง, งยไม่ไมแก่เจ็บตายนะไม่ใช่ของเราทะด้วยของคุณพ่อคุณแม่มีแม่คนเดียวไม่ได้สังขารร่างกายมีพ่อคนเดียวไม่ได้สังขารร่างกายถึงบอกว่าเป็นของโลกคืมโลกมาใช่มีดินมีน้ำมีลมมีไฟ ใจมาจากคุณพ่อคุณแม่ตัวของเราคือใจเข้าใจไหมเมื่อกี้เห็นใจไหมนั่นแหะตัวของเราคือใจใจพาไปสวรรค์พาไปพรนิพพานถ้าไม่ไปสวรรค์ไปพรนิพพานก็พาไปนรกนรกคืออะไรร่ำรวยสวยงามเอาแปลกชั ด, ชดจากรูให้เข้าสมาธิดู นะเราพูดไวเฉยไม่ถึงใจหรอกใครก็พูดได้นะสวรรค์นในอกกระลอกในใจเอาตัวนี้มาแปลออกสวรรค์นในอกกระลอกในใจถ้าใจของเรามีสวรรค์ก็เห็นนรกเมื่อกี้ดูสวรรค์เห็นไหมง่ายไหมสบายไหมยาของพุณเจ้ามีอย่างเดียวคือลมไม่ได้ซื้อเส้ยด้วยทําไมไม่เอามารักษาใจเป็นรักษาทําไมร่างกายก็ลงบานทีแห้งที่แหง้แหง ถึงหายล้าก็ยังอยู่คือตายแดกใจตายไม่เป็นไม่รักษาเด๋ยกินไปแล้วไม่มีบุญบาปอ่ะนใ่นไหมละ่ะหูวูปดได้กกินถ้ามาทำบุญให้นั่งรับตามื่อกี้ใส่บาทถ้าถ้าอยากกระจาใส่ใน่น่อยปั้นคนละปั้นหนยิบใส่บาทคนละสองสามเม็ดเพื่อไม่ให้พระเป็นบาปพระเป็นบาปพระ รับข้าวน้ำโภชนาอาหารเกินขอบปากบาดมุจัขอบปากบาดเป็นเติอนเกิน น, นั่นเป็นโทษแล้วนั่นติมาช่วยกันทำบาลดูช่วยกันทำปุ้าห้ามก็ไม่เอาเห็นต้นบอกไม่ออกก็บางคนเขานั่งปนมือแต่ไม่ตั้งปนมือเอานั่งแบบทำสมาธิน่ะบางคนไม่คู่ใจพวกนี้คือบพรบาะจะใช้บาทเป็น่าปที่บา เขาทำบุญเขาไม่ควรไปพระดาวนั่นแหะเขาทำบุญถ่ายออกไปเถอะเป็นนวทางที่ถูกต้องมาวุ่นวายเป็นแนทางที่ผิดพระเจ้าให้พระผูทรงไปปฏิบัติโดเฉพาะไปปนบาตเอา้าฉันเอาก็วัด น, นี่ก็มาขนถมเทพระเจ้าประสงเกิดทีแรกมัยังว่าเกิดทีแความโลก ว่าสสบายถึงของเราเป็บวใหได้่วยได้อยาดไว้เพลินดีเป็นบาปว่พระเกิดความโลภเกิดความอยากเกิดความหิวบวชย่อมส่งเสริมทาตามโยมเสียพระพระพุทธเจ้าสอนก็ขีข้างนอกคนนี้นี่ว่านมลปิณฑบาตภายในวัดชือเสดจบัตรคก็ว่เอาพรดีนี่บัตขนหน้าาดันเห็นว่ามันเลื่อนเพนพึ่งทุ่ อันช่วยพระสงฆ์ที่เหลดก็ได้บุญทั้งคนให้ทานทั้งคนรับของตานอ้ามาทําทานให้พระเสด็จที่เหลดได้บาปทั้งคนให้ทั้งคนรับเรียกว่าบาปนัน <c oughs> โลภรักตัวใหญ่ก็เป็นนรกก็ได้ท่านบาปเลิกก็ไปแล้วก็ไปก็เป็นนรกกันก็ใจทุกคนมันอยู่กับนรกไม่ใจ่หรือเติมขึ้นมาฉันอยากร่ำรวยนังมานอราไปหาแตงเงิน เปพ่อนั่งมโนราจะแต่ชาวสิทนไปพ่อนั่งมโน ร, า อ, า, อนนอราอยู่เพื่องปูเงินใจของคนมาโน่ขึใจจึงพื่อปูเงินมาตื่นกับมาลูกๆหลันมาศูนย์มาเรียนก็เพื่องเงินไม่ใช่เหลือแถวธรรมะมาแปนนะเพื่อนารกทําด้วยเอามาทําอะไรสิทาให้สวยงามนั่นในก็เพื่อนอารดณ์ในสวยงามเหล่ามีคนมาชอบถึงกันหัวกันมีครอบครัวแล้วแต่งานแล้ว เวสวยๆงามๆแต่งงานแล้วสองสามเดือนทะเลาะกันเพราะความหึงหวงเป็นนรกไหมนขนวคนตาเ่นนเจ้าของจนไปหาเอาย่างมาปอมบุแต่งไหมเสียนหมเรียบมือจะเอาของมาจากมันลงใส่เร็บมือคนตายติดก็ไปอีกแถววัดต <t> ันย <t> ิงตรมายิ้วหัววาดตันปันวัแถวหักที่นี่หักคนโน กำลังอ่ะแต่นี้บบบเร็ยบตินเร็ยบเมือ่อแต่ราคาเท่าไรบุ๊คเร็ยบเดียว3ามสีสีสสสมาพร้อมก็ไปอีก <c oughs> คนเราชอบยุ่งอะ่ะนะเดี๋ยวดรีพิธีก่อนท่คอยทำพิธีไหมรับต่อไปกับบุม้มยังรับพรอจัยย่อไหวพระตาา่างอนทำพิธีไหวกับของกับตินจังไหวพระรับตินจัง ปรดทับมาอีกเอายอดๆเอาหลายเจ้าลูกหลานลืม